เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการแบบไหนเพ่งแบบไหนเพลินถ้าเพลินแล้วมันจะนําไปสู่ง่วงสังเกตหลายคนพอยกมืององแงงองแงไปสักพักก็ง่วงละนั่นเรียกว่าเพลินแต่ถ้าเราทําให้มันซอบเบาชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหายใจลึกๆลืมตาผกว้างมันจะแก้เพลินแก้เพ่งได้แต่ถ้ามือเริ่มไปงองแงงองแงตาเริ่มปิดสักพักก็เริ่มเพลินก็จะเริ่มง่วงเราพยายามกันเท่าไหร่ก็ไม่อยู่นะแต่เจ้าตัวไม่รู้เลย ก็ ต, ตัวไม่รู้แต่ว่าอาการมันจะบอกเป็นระยะๆไปเพราะนั่นการปฏิบัติหัวใจของมันอยู่ที่การปรับแก้อยู่ตลอดเวลาสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับแก้ไม่เราจะทำมานานแล้วก็ตามถ้าเราไม่ปรับแก้มันก็จะเข้าโหมดเดิมทั้งปีทั้งชาติมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสังเกตด้วยให้ดี